สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นความสมดุลระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิธีการของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นแหล่งที่มาของความสามารถพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นแหล่งที่มาของพลังของฤทธิเดชในขณะเดียวกันครับเราต้องมีความสมดุลระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ และวิธีการของพระเจ้าของพระองค์เราจะต้องติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามความพอพระทัยของพระองค์พี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้ยกตัวอย่างเชิงตะเกียงครับเรียกวลมสแตนเชิงตะเกียงนี้เองนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่เป็นนิมิตของ ท่านเซคาริยาหรือเสคาริยาเสคาริยานั้นเป็นผู้เผยเพรชนะซึ่งได้พยากรณ์ถึงอนาคตของประเทศอิสราเอลครับพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเซคาริยาบทที่4นะครับเซคาริยาบทที่4โปรดฟังพระชนะของพระเจ้านิมิตที่5เรื่องเชิงตะเกียงแลต้นมะกอก พระเจ้าพระเจ้าเริ่มต้นในข้อที่หนึ่งนะครับและทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้ามาอีกและปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากนอนของเขาและท่านถามข้าพเจ้าว่าท่านเห็นอะไรเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทําด้วยทองคําล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอดและมีตะเกียงอยู่บนนั้นเจ็ดดวงและมีท่อเจ็ดท่อนําไปยังตะเกียง ซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อและมีต้นมะกอกสองต้นอยู่ข้างๆอยู่เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่งและอยู่เบื้องซ้ายต้นหนึ่งและข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าค่ะนี่คืออะไรทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือข้าพเจ้าตอบว่านายเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระว จ, จนะของพระยาวเว ซึ่งได้ให้ไว้กับเสรุบเบลว่าไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราปรยาเวจอมทัพตัดดังนี้แหละโอ้ภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าต่อหน้าเสรุบเบลเจ้าจะเป็นที่ราบและเขาจะนำศิลาก้อนที่อยู่ยอดมาท่ามกลางการโห่ร้องว่างามจริงงามจริง ยิ่งกว่านั้นพระโอชะของพระยาเว์มายังเข้าพระเจ้ากล่าวว่ามือของเซลูบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้และมือของเขาจะสร้างให้สําเร็จแล้วพวกเจ้าจึงจะทราบว่าพระยาเวจอมทัพได้ใช้เข้าพระเจ้ามาหาเจ้าใครจะดูหมินวันแห่งการเล็กน้อยเขาจะเปรมปรีเมื่อได้เห็นสายดิ่งที่อยู่ในมือของเซลูบาเบลแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่านิมิต ที่เกี่ยวข้องกับเชิงตะเกียงและต้นมะกอกนั้นมีความสัมพันธ์กันนะครับผมจะส่งภาพให้ดูและภาพนี้จะอยู่ในลายของท่านนะครับพี่น้องครับเซโรเโบเบลนั้นเห็นเชิงตะเกียงทาด้วยทองคาอันนึงและมีชามที่ใส่น้ำมันนะครับอยู่ที่ยอดของตะเกียงนั้นและมีตะเกียงครับ เจ็ดดวงด้วยกันนะครับมีท่อเจท่อนำน้ามันไปหล่อเลี้ยงตะเกียงครับแล้วก็ต้นมะกอก2อต้นนั้นก็อยู่ทางซ้ายต้นหนึ่งทางขวาต้นหนึ่งการตีความพังคับมีตอนนี้นั้นก็หมายถึงว่าต้นมะกอก2ต้นนะครับก็เป็นตัวผลิตน้ำมันมะกอกครับน้ามันมะกอกที่ อยู่ในชามนั้นก็เป็นที่สะสมและส่งน้ํามันมาหล่อเลี้ยงนะครับมาหล่อเลี้ยงตะเกียง 1. ตะเกียงก็มีท่อหนึ่งท่อมาเลี้ยงครับเพื่อที่ให้ตะเกียงนั้นสว่างสวยัยเชิงตะเกียงนะครับหรือตะเกียงนั้นก็เปรียบเสมือนกับอิสราเอลครับอิสราเอลนั้นก็จะมีวันเวลาที่อิสราเอลนั้นจะนําพระพรไปถึงคน อีกมากมายและคนทั่วโลกนั่นหมายความว่าอิสราเอลจะเป็นแสงสว่างของโลกนั่นคือการตีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะเป็นต้นกำเนิดแห่งพระพรที่พระเจ้าจะมอบให้กับชาวโลกหรือโลกนี้นั่นคือบริบทของพระธรรมตอนนี้ครับแต่ท่านศา ส, สาจารย์ดอรฟิลิปเทงนั้นท่านอธิบายครับว่าเลมสแตนหรือ เชิงตะเกียงนี่แหละครับเราจะเห็นว่ามันถูกจุดเป็นที่วางของตะเกียงและถูกจุดได้เพราะเนื่องจากว่ามีชามที่ใส่น้ํามันมะกอกพี่น้องครับในการตีความของนักวิชาการเกือบทุกสำนักนี่ครับได้ตีความว่าน้ํามันมะกอกนั้นก็เปรียบเสมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับการเฉลยของทูตสวรรค์ที่สนธนากับเสือโลบเบล เมื่อเซรุเบลถามว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือและเซรุเบลตอบว่านายเจ้าค้าข้าพระเจ้าไม่ทราบแล้วทูตสวรรค์ก็ตอบว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวซึ่งให้ไว้กับเซรูเุเบลว่าไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเว์จอมทัพตรัส ด, ดังนี้แหละพี่น้องครับเป็นเพลงที่เราได้ร้องตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับ Blue ไม่ใช่ริดไม่ใช่แรงแต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ฤทธิ์ธรรมภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านั่นหมายความว่าอิสราเอลนั้นจะรุ่งเรืองอิสราเอลนั้นจะเป็นพรอิสราเอลนั้นจะทอแสงสว่างเชิงตะเกียงหมายถึงอิสราเอลนะครับอิสราเอลจะทอแสงสว่างได้ก็มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นน้ํามันที่หล่อเลี้ยงตะเกียงนี้ให้สามารถ สว่างสวยต่อไปท่านสารสายอคิิทธิ์ท่านนั้นก็ได้เสนอแนวความคิดครับว่าเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีกรรมวิธีหรือวิธีการของพระองค์วิธีการของพระองค์ในที่นี้ก็คือว่าจะต้องให้น้ํามันมะกอกนี้ไหลไปตามท่อคำว่าไหลไปตามท่อนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่า พระวิญญาณ น, นั้นโปรงทรงพลังและมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจมีฤทธิ์ธานุภาพสูงสุดแต่พลังนี้จะต้องล่องไปตามทางที่ควรและเกิดการกระทำที่ถูกต้องพระวิญญาณทรงอาศัยแนวทางการจัดการของฝ่ายวิญญาณความหมายก็คือว่าพระวิญญาณ น, นะครับจะต้องอาศัยแนวทางของฝ่ายวิญญาณ ในการแสดงฤทธิอำนาจของพระองค์วิธีการนี่แหละครับจะต้องเป็นวิธีการของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดตั้งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่มากจั ก, กรวาลที่อัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างนี้คือพยานหลักฐานของการทรงสร้างของครีเอเตอร์ที่ชัดเจนมากพระเยซูเจ้าเองนั้นก็ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นครีเอเตอร์เป็นพระผู้สร้างที่อัศจรรย์และยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกันเราจูนะครับว่าเมื่อพระเยซูนั้นทรงประทับอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนทรงสั่งให้คนนั่งเป็นแถวแถวตามลำดับพระวิ ญ, ญญาณเป็นผู้ก่อตั้งที่อัศจรรย์เช่นเดียวกันครับพระองค์ทรงประทานของประทานมากมายแก่คริสตจักรและปรับแต่งให้พอดีผสมกันอย่างลงตัว เพื่อที่เราจะสร้างพระนิเวศแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามการก่อตั้งควรใช้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้นพี่น้องครับในยุคต่างๆในปอศสตที่ผ่านมาจะมีการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีส่วนหนึ่งที่มาจากการวางโครงสร้างไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นพระธรรมกิจการบทที่6ครับเมื่อกล่าวถึงปัญหา ที่คริสจัก er usalem, รเยรูซาเล็มเผชิญหน้าอยู่นั้นอัครทูตภายใต้การทรงนำของพระวิ ญ, ญญาณก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องหรือกรรมวิธีที่ถูกต้องวิธีการของพระเจ้าที่ถูกต้องได้จัดการกับปัญหาและทำให้เกิดการก่อตั้งคริสจักรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพี่น้องครับการแก้ปัญหาต่างๆของคริสจักรจะต้องแก้ด้วยกรรมวิธีของพระองค์ จะต้องแก้ด้วยกรรมวิธีหรือวิธีการของพระวิญญาณคิดจักจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วพี่น้องครับในกิจการบทที่6เราเห็นว่าคิดจักเยรูซาเล็มนั้นเผชิญกับปัญหาเยอะแยะมากมายครับเช่นปัญหาภาษาสมาชิกมีหลากหลายภาษาใช้ภาษาอาราเมกนะครับภาษาฮีบรูภาษากรีก ปัญหานอกจากภาษาแล้วเป็นปัญหาวัฒนธรรมอีกมีพวกยิวพวกหนึ่งถูกอบรมสั่งสอนจากวัฒนธรรมชาวกรีกก็จะคิดไม่เหมือนกับพวกยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์ปัญหาเรื่องการบริหารเพราะดำเนินการไม่ดีก็จะมีการตำหนิต่อว่ากาันมีเสียงบน่นมีท้องกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับเป็นปัญหาภารกิจปัญหาจิตวิญญาณพันธกิจนะครับจะต้องมีการแบ่งขอบเขต การบริหารจัดการวิธีการให้ดีปัญหาการเผยเพระเชนะนะครับเรียกบรรดาศิษย์ให้ป ร, ประชุมกันแล้วกล่าวอย่างนี้กล่าวว่าก็คือเป็นการแก้ปัญหาปัญหาเรื่องการเลือกตั้งมีปัญหาเรื่องภนรกิจสุดยอดของอาคาทูดที่ต้องมาก่อนพี่น้องครับเหล่านี้ครับเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเขาได้แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยกันด้วยวิธีการของพระเจ้านะครับพลังที่เกิดจากพระวิญญาณมิสุด ก็จะสำแดงออกมาอย่างเต็มที่กลายมาเป็นการเจริญโตของขีตจักรอย่างมั่นคงต่อมาพี่น้องครับคงจะเห็นนะครับว่าวิธีการของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องมีความสมดุลในเมื่อเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ต้องพึ่งพาวิธีการของพระองค์ได้ได้ด้วยพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งครับขอพระเจ้าช่วยเรา ในการที่เราจะสแสวงหาวิธีการของพระองค์ในการดูแลพันธกิจของพระเจ้าพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะออกมาได้และเปล่งประกายนะครับรัศมีเปล่งรัศมีเกิดฤทธิดเดชครับฤทธานุภาพพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าไม่ใช่ฤทธิไม่ใช่แรงแต่จุดกำเนิดต้นกำเนิดของแหล่งพลังของฤทธิดเดชและ ริธานุภาพทั้งหลายก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าเราจะให้เกิดผลสูงสุดต้องทำตามวิธีการของพระองค์ครื่อจักรนั้นจึงจะถูกวางรากสร้างและปักหลักอย่างมั่นคงโดยพระวจนะของพระเจ้าวิธีการของพระองค์หลักการที่ถูกต้องนะครับจะทำให้คริ่อจักรนั้นเติบโตและขยาย แสดงถึงฤทธิ์อำนาจปรากฏซึ่งเรี่ยวแรงกำลังในการที่จะรับใช้โปรงในการที่คิดจะจะเติบโตต่อไปครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทักทุกท่านอาเมน